ยี่สิบเจ็ดในโรงแรมการมาถึงคุณมีห้องว่างไหมคะมัตเช่วอนูอิสบ ดิฉันจองห้องแล้วค่ะดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ。ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ。 ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะมที่นี่มีโรงรถไหมคะมที่นี่มีตู้นิราภัยไหมคะมาเทีที่นี่มีเครื่องแฝกไหมคะมาเชตูฟัคซ ดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะด обре เบริมตุอิสปุนี่กุญแจห้องค่ะ ту су ключе นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ ту m o о a b a t o ж i н а บริการอาหารเช้ากี่โมงคะเครดิสูร n ญ a าอิคิ บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะเกดียร์อเบตรบริการอาหารเย็นกี่โมงคะเกเดียรเบเชระ